เทศอบรมพระในคืนวันที่สิบมีนาคมพศสองพนสิบณวัดป่าบ้านตา จ, จังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปโนธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนสมบัติทางโลก ก็เรียกว่าสมบัติมีหลายประเภทเช่นเดียวกับสินค้าในห้างร้านต่างๆในห้างร้านใหญ่ๆค้าหลายประเภทสินค้าที่มีราคามากก็มี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 ราคาก็แพงและมีไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าไว้อย่างนั้นเสมอคนที่เขาเข้าไปในห้างร้านนั้นๆจะไม่ได้ของประเภทเดียวกันออกมาเพราะนิสัยของผู้เข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นมีความประสงค์ต่างกัน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 ลูกค้าที่มีฐานะต่างกันผู้ติดไปติดต่อในห้างร้านย่อมไม่เสียความหวังที่เข้าไปและสำเร็จประโยชน์ออกมาด้วยกันเรื่องธรรมะคำสั่งสอนของพระพทุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน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 สินค้าในห้างร้านต่างๆซึ่งเขาจัดไว้เพื่อการต้อนรับคนที่มีความเหลือมล้ำต่ำสูงกันทั้งความรู้ความฉลาดและทุนทรัพย์จะไปแลกเปลี่ยนก็มีการต่างกันเช่นนั้นเรื่องของธรรมะก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันผู้เป็นคารวาส ก็ยังมีหลายชั้นไม่เพียงแต่เป็นฆรวาดแล้วจะเป็นคนชั้นเดียวภูมิเดียวมีความรู้ความฉลาดเท่าเทียมกันยังมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ธรรมะส่วนหยาบก็ยังต้องแยกประเภทเออกไปตามกําลังความสามารถของบุคคลผู้ควรจะประพฤติปฏิบัติได้แค่ดใดอะไรสาเร็จประโยชน์ตามความประพฤติปฏิบัติของตอน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 ก็ย่อมมีการเหลื่อมล้ำต่าสูงต่างกันอีกฉะนั้นระดับแห่งธรรมชั้นสูงนั้นก็ต้องมีไว้ต้อมรต้อนรับผู้ปฏิบัติคือมีธรรมะขี่แนวทางไว้เป็นระยะระยะสำหรับผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นนั้นๆจะได้พยายามไต่เต้าตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดสุดท้ายคือธรรมะชั้นเยี่ยม ยอดนั่นเป็นประเภทเดียวกันผู้ใดที่สามารถก้าวเข้าถึงขั้นเยี่ยมยอดแล้วจะเป็นความบริสุทธิ์เสมอกันไม่มีความยิ่งย่อนต่างกันในทางความบริสุทธิ์แม้นิสัยวาสนาจะมีแปลกต่างกันบ้างนั่นเป็นส่วนตีดยอดไม่ใช่หลักใหญ่คือความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์นี้ ที่ทียกว่าเป็นหลักใหญ่นี้จะมีความเสมอกันหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงสาวกองสุดท้ายจะไม่มีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในทางความบริสุทธิ์นี่เป็นประเภทเดียวกันหรือประเภทอันประเภทเดียวผู้เข้าถึงทำขั้นนั้นแล้วจะเป็นคนประเภทเดียวคือเป็นพระพระอาหารหันต์ทั้งนั้นถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้น ไม่มียิ่งหย่อนต่างกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าประสิทธิ์ประสาดคือประธานพระโอวาทไว้ให้พวกเราปฏิบัตินี้เป็นที่พอเหมาะพอควรแก่พุทธบริษัท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 ให้เป็นผลอันดีขึ้นไปเป็นลาดับลาดับจนถึงผลสุดยอดคือตรัสรู้พระหันขึ้นมาเป็นศาสตร า, าสอนโลกเพราะฉะนั้นพระ อ, อุวาสที่สอนบรรดาสัตว์ไว้ทุกบททุกบาททุกแงน่ทุกมุมจึงอยู่ในกรอบแห่งสวขาตธรรมแปลว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นไม่มีทางที่ผู้ มุ่งหลักธรรมคือทางที่ถูกจะคัดค้านพระพุทธเจ้านา้ว่าสั่งสอนผิดนอกจากจะเป็นไปตามทิฏฐิมานะหรือความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นการขัดแย้งต่อพระอาวาตคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้จะ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 ตำหนิว่าชั่วแต่ผู้เห็นธรรมเป็นธรรมผู้มุ่งต่อรักความจริงแล้วติในสิ่งที่ควรติจะชมในสิ่งที่ควรชมไม่ได้ติไม่ได้ชมไปตามความชอบใจเฉยๆแต่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบและเป็นที่ลงรอยกันได้ ในจุดที่ควรจะตาหนิหรือจะควรชมนี่เป็นคติของโลกซึ่งมีความรู้เป็นรุ่มรุ่มดนๆเมื่อมาเกี่ยวกับธรรมะธรรมะจึงกลายเป็นเป้าหมายที่จะให้โลกตาหนิติชมตลอดมาแต่ผู้ปฏิบัติเพื่ออาจทมจริงๆแล้วจะหาที่ตาหนิ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 เพราะฉะนั้นคําว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่นิยมการเรียกว่าอาการลิกุถ้าผู้ปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้ว จ, จะมีทางสิ้นทุกข์เป็นที่ไปไม่มีทางอื่นซึ่งจะเป็นข้อขัดแย้งและเป็นอุปสรรค การกล่าวธรรมะธรรมะไวจากพระโอษของพระพุทธเจ้านี้เรานับกันพอประมาณมี8 4 0 0พันพระธรรมขันธ์ถ้าจะพูดตามแงอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนโลกแล้วจะมีมากมายิ่งกว่าที่กำหนดไวน้นี้นี่เห็นว่าพอประมาณเท่านั้นเพราะ จดิตนิสัยของพุทธบริษัทซึ่งมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่จะได้ให้โอวาท ส, สั่งสอนแก่บรรดาศัตว์นั้นมีจํานวนมากมายเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้บายวิธีที่จะสั่งสอนโลกนั้นจะมีเพียง8ปดหมนพันนายกนี้ไม่เพียงพอกับจดิตนิสัยของคนที่มีจํานวนมากยิ่งกว่านั้น แต่ถึงจะมากเท่าไรก็ตามถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าการนับของเราซึ่งเคยได้อธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทราบมาหลายครั้งแล้วนับตั้งแต่ต้นก็ถูกไปตั้งแต่ต้นเช่น1บวก1ก็เป็นสองนี่สองบวก2ก็เป็น4ี่เป็นลำดับลำดับ จนถึงบวกในวาระสุดท้ายจะถึงล้านกว่าตัางก็ต้องเป็นการถูกต้องไปเป็นลำดับๆเช่นนี้ไม่มีส่วนใดที่จะทำให้ผิดพอที่จะให้ปลายทางนั้นผิดไปนี่หลักโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นแต่พระพุทธเจ้าประธานโอวาทแกสาวกองค์แรกเริ่มแรก จนถึงสาวกองสุดท้ายแล้วปิดพระโอษฐ์คำว่าพระโอษฐ์คือปากหยุดการสั่งสอนจะเป็นสวขาธรรมไปเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่วาระแรกที่เริ่มสอนสัตว์จนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานไม่มีวาระใดที่จะคาดเคลื่อนจากคำว่าสวขาธรรมคือตรัสไว้ชอบนี้ไปได้เลย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 ก็มีการถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มแรกการสั่งสอนไม่เช่นนั้นผู้นับพระอาวราชคนแรกก็คือพระัญญาโกณทัญญะจะได้ตรัสรูม้มรรคผลนิพพานได้อย่างไรหากพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องตน้นในถ้ำกลางสาวกก็บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดับตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงครั้งวาระสุดท้ายสาวกได้บรรลุพระรหันต์เป็นลาดับลำดับ เมื่อผลได้ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติจนถึงขั้นพระสำเร็จพระหันแล้วพระหัดแล้วเราจะมีทางตำหนิท่าอาวาทของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรว่าผิดตอนไหนผิดวาระใดถ้าผิดแล้วผู้ปฏิบัติจะไม่ได้ผลนี่ไม่เป็นเช่นนั้นสอนวาระใดก็ มีผลปรากฏขึ้นมาจากผู้สดับปรับฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกการสั่งสอนจนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่นิพพานนอกจากนั้นาอวาดที่ประทานไว้ผู้ปฏิบัติได้สืบต่อกันมาจนถึงพวกเหล่านี้ก็ปรากฏผลว่าได้รับมรรคผลนิพพานมาเป็นลำดับตําหนัก จนถึงสมัยทุกวันนี้ก็เป็นพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าพระองค์เลียวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปคําว่ามัชชิมาก็มี8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะจนกระทั่งถึงส ม, มาส ม, มาธินี่ท่านเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นหนทางสายกลางเพื่อจะมุ่งเข้าสู่จุดที่หวังอย่างยิ่ง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 เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าหรือมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปไม่ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจริงเป็นผู้รับประกันบรรดาพุทธบริษัทที่มาอบรมสั่งสอนปฏิญญาตนเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา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 สามารถทุกด้านไม่มีการผิดพลาดอย่างพระพุทธเจ้าบรรณาสาวกนับจำนวนไม่น้อยต้องดำเนินตามพระพุทธเจ้าทางนั้นไม่มีใครจะแซงออกหน้าโดยหาว่าพระพุทธเจ้าไม่ทันสมัยมีแต่ต้องเดินตามจึงเรียกว่าอนุพุทธะแปลว่าผู้รู้ตามเพราะว่าที่กล่าวมามากมายนี้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 แต่ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นี้ไม่มีนี่เราจะเห็นความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าแค่ไหนทางภายในคือความบริสุทธิ์เมื่อรากฐานคืออันนั่งเดิมคือความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ทรงตัวเป็นสิ่งที่คงที่เป็นสิ่งที่รับรองแล้วเพราะว่าที่ออกมาจากรากฐานอันเป็นที่รับรองนั้น ก็ย่อมกลายเป็นของถูกต้องไปทาตามกันหมดไม่มีสิ่งใดจะแ ป, ปรปลอมแผงขึ้นมาเลยขอให้ทุกท่านได้ตรตรองให้เป็นที่แน่ใจสำหรับตัวเราที่จะปฏิบัติต่อพระาวาสุของพระพุทธเจ้าในอินญบททั้งสี่คือยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่ จงปลุกจิตใจของตนให้ตื่นไปตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้เสมออย่าเป็นคนนอนใจอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระคือตัวของหักสมบัติของพระคือข้อปฏิบัติหน้าที่ของพระจะควรปฏิบัติตนเพื่อความดีงามอย่างใดอย่าเห็นเป็นของหนักหนา อย่าทำความอิดหนาระอาใจต่อการปฏิบัติเพื่อตัวเองจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพาดาเนินหนักก็เอาเบาก็สู้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นนักต่อสู้ทุกก็ยอมรับกันว่าทุกขเพราะโลกนี้มีทั่วทวไปเรื่องของทุกข์ไม่มีจุดดกเว้นเมื่อปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาแล้ว จะต้องได้รับทราบจากเรื่องของสุขของทุกข์ที่มีอยู่ประจำตัวด้วยกันใครจะหลีกเว้นจากทุกข์ไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าทุกข์เป็นของจริงถ้าหากเราหลบหลีกหลีกทุกข์ไปโดยเห็นว่าทุกข์เป็นค่าศึกต่อเราแล้วนั่นแหลเราจะเป็นผู้กออโพยทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืน ถ้าเราเป็นนักต่อสู้ยอมรับกันทุกก็ยอมรับว่าทุกพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์โดยธรรมและพิจารณาให้รู้สาเหตุของทุกข์โดยทางปัญญาเราจะมีทางหลบหลีกปีกทุกไปทั้งๆ ท, ที่ทุกก็มีขวางหน้าเราอยู่นั่นแหละจะเป็นผู้ผ่านทนไปได้โดยทางจิตใจไม่ติดข้องกับทุกข์ซึ่งเป็นของมีประจาขัน แม้ทุกประจําใจถ้ามีปัญญาสามารถฉลาดรู้เห็นว่าเป็นหลักความจริงเช่นเดียวกับทุกทางขันแล้วทุกนั้นเราก็เหยียบย่ำหรือขยี้ให้กระจายหายสูญไปจากใจได้ด้วยอํานาจของปัญญาหากว่าธรรมะไม่สามารถจะสังหารเรื่องของสิ่งที่กล่าวมา เหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้ต้องเป็นผู้หาบทุกไปนิพพานขัมมานิพพานพระพุทธเจ้าจะเอื้อมพระโอษฐ์ออกมาสั่งสอนสัตว์ไม่ได้แล้วจะประกาศตนว่าถึงนิพพานแล้วไม่ได้เพราะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะปราบทุกภายในใจให้หลุดพ้นจนถึงขั้นนิพพานได้แต่นี้พระพุทธเจ้าได้ประกาศอย่างองค อ, อาจกร้หาร ไม่มีใครจะสามารถนำเรื่องพริาพานมากราบนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นได้ทรงรู้เห็นในพระไถ่ของผมแล้วประกาศออกมาอย่างอาจฐานและปริาพานอย่างไม่มีการสะทุกสะทานนี่แสดงให้เห็นว่าธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องสังหารความทุกข์ภายในจิตใจของเราได้และสามารถจะรู้เท่าทัน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 ของขันที่บกพร่องและสมบูรณ์ในขณะที่มีสิ่งมาเยียวยาเพียงพอและในขณะที่ธาตุขันบกพร่องต้องแสดงความหิวโหวยหรือความอิ่มขึ้นมาตามธรรมนาของตนความหิวโหวยหรือความอิ่มพอของธาตุขันนี้ไม่ถือเป็นประมาณสิ่งที่จะควรพิจารณาให้หนัก แน่นจริงๆก็คือความหิวโหวยในทางใจนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาแท้ๆการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะระงับดับสิ่งเหล่านี้ให้หมดจากใจจะ ก, กลายเป็นคนหมดกังวลไม่มีความอยากภายในใจแล้วแสนสบายหายห่วงที่สัตว์และบุคคลได้รับความทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนกันไปทุกแห่งทุกผลทั้ง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 หน้าที่การงานเพื่อหาอไรายได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นคติธรรมดาของโลกถ้าไม่หาก็ไม่ได้แต่ขออย่าให้ลืมตัวว่าเาะแสวงหาสมบัติมาเพื่อเป็นสิริมงคลและความสุขแก่ตัวแล้วแต่กลายมาเป็นค่าสึกต่อตัวเสีย น, นี้เป็นสิ่งที่ร้เหล่งมาคือไม่รู้จากเมือง่อ ไม่รู้จักการพักการผ่อนจิตใจให้มีความสะดวกสบายพอถึงขั้นเมืองพอสถิแม้แต่อาหารถาดขันของเราที่มีความหิวโหยเรารับทานแล้วเขายังมีความอิ่มพอของเขาเป็นบางการแล้วหิวขึ้นมาเป็นบางครั้งใจก็ควรจะให้มีเมืองพอบัง่งในบางการบางคราวหากไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ธรรมานีิถ้าเราปฏิบัติดัด ความโลกโมโทโสของเราภายในจิตใจแล้วจะเป็นผู้อยู่สมายนอนสมายในอียบบททั้งสี่จะเต็มไปด้วยความสมยัยไม่มีอะไรมาเกี่ยวของยุ่งเยงิงไม่มีอะไรจะมาเป็นข้าศึกเพื่องรบพวนใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอันใดที่จะให้เสมอเหมือนกับ สันติคือความสงบใจนั้นไม่มีในโลกที่อื่นเราเคยปรากฏไหมความไม่สงบเป็นสุขเคยมีไหมไม่มีคนจะตายก็ดิ้นรนกระวนกระวายรัศมะสายทิ้งเนื้อทิ้งตัวทิ้งกิริยามารยาททุกอย่างไม่ทราบว่าสวยงามไม่สวยงามน่าดูไม่น่าดูคนจะตายมัน เสืร์กระสนอย่างนั้นเหดี่ยวมันทุกข์จิตมีความ ก, ก, นนกระเกษร์กระสนกวนกระวายก็คือจิตเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้เมื่อจิตป ร, ราศจากความทุกข์แล้วจะไปเกษร์นนกระสนกวนกระวายหาอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ดีๆธรรมนามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเสียดแทงร่างกายแล้วย่อมเป็นปกติ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 ขาใจไม่สงบต้องรสัสมรสายลืมเนื้อลืมตัวยุ่งเหยิงไปหมดอยู่ที่ไหนไม่สบายอาหารการกบฉันได้มากน้อยเป็นที่ไม่สบายทางนั้นเทราะใจไม่สบายเหมือนกับคนไข้ไม่ต้องการอะไรทางนั้นอาหารดิบๆ ด, บ ด, บ ด, ด, ดีที่เคยรับทานมาก่อนไม่ต้องการไม่ว่าวานไม่ว่าข้าวไม่ว่าอาหารประเภทใดาราคาถูกราคาแพงประณีดบรรจงเท่าไรคนไข้ที่เป็นไข้นัหนัก ไม่สนใจไม่ต้องการทั้งนั้นมีแต่กระเสือกกระสนท่าเดียวมีเรื่องของใจก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ถ้าลงในกระเสือกกระสนอย่างเต็มที่แล้วเรื่องอัดเรื่องทาเป็นสิ่งแสลงไปหมด <c oughs> สิ่งใดที่เป็นค่าศึกแจใจแล้วชอบยุ่งชอบชิดชอบปุ่นวายชอบเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานของใจ เลยจากนั้นเขาก็เรียกว่าคนบ้าคนบอไปท่านั้นเมื่อคิดมากๆยุ่งมากมากความทุกข์หมุนใจเข้ามากก็กลายเป็นคุณเสียสติไร้ความหมายไร้คุณค่าคนทั้งคนไม่มีราคาเท่าสุนัขตนก็ไม่ได้นี่การปราศจากสติการปล่อยใจให้เป็นไปตามอําเภอของกิเลสตัณหาทําตัวให้เสียอย่างนี้ถึงกับหมดคุณค่าไปเลย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 เป็นอีกอย่างธรรมะเมื่อเข้ามาสวมภายในจิตใจมาสวมมารยาทแล้วย่อมกลายเป็นมารยาทที่งามพูดก็งามน่าฟังมีเหตุมีผลไพเราะสน่ห์โส่แก่ผู้ฟังอิริยามารยาทแสดงท่าทางออกอันใด น, น่าดูหน้าชมทั้งนั้นจิตใ จ, จคิดอะไรออกมีเหตุมีผลควรคิดจึงคิดไม่ควรคิดระงรับทันทีความคิดเช่นใดจะเป็นไปพวกความกระเทือนตนและผู้อื่น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 มีความสบายเป็นเจ้าเรือนอยู่ที่ไหนก็สบายมีอำนาจแห่งการสังรวมระหว่างการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเข้มงวดกวดขันไม่เห็นแก่ป่าแก่ท้องมาเห็นแก่หลับแกนอนเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่การปฏิบัติธรรมะในทางที่ถูกและขยับตัวของเราให้เข้มแข็งขึ้นไปเป็นลำบากลำบับในหน้าที่การงานมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ขี้เกียจทุกข์หรือสุขก็พยายาม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 ย่อมฉายแสงออกไปให้เป็นการให้เป็นความสง่าราศีแก่โลกโลกได้รับความร่มเย็นด้วยใครเข้ามาเกี่ยวข้องก็แนะนำท้ามสอนให้รับความรู้ความฉลาดให้รับความร่มเย็นเป็นสุขผู้มีความทุกข์ร้อนเข้ามาก็แนะนำวิธีให้เขาเข้าอกเข้าใจกลายเป็นคนร่มเย็นขึ้นมานี่อํานาจแห่งธรรมะ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 ต่อกันไปเป็นลำหนักหนักจนถึงวาระาสุดท้ายแห่งโลกสมมุติจะสลายไปตอนใดในความรู้ความเห็นความประพฤติปฏิบัตินั่นเป็นจุดสุดท้ายแห่งศาสนากับจิตใจของบุคคลจะพาคจากกันอนั่นเป็นอจินไตยไม่สามารถจะคำนึงคานวณได้จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้